การฟังธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะต่อชีวิตอภิษฎ <Okay. S 1> าจ่าตรัสว่าในการฟังธรรมถ้าทำสม่าเสมอนี่เรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดประการเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่เราจะใส่ใจกการฟังธรรมแล้วก็ฟังอย่างสม่าเสมอ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรามีความเป็นที่ถูกต้องนะเกิดสัมาทิฏฐิแล้วก็ยังเป็นส่วนเสริมนะส่วนหนุนสำหรับการปฏิบัติ ด, ด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัตินะงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเสริมส่วน สนับสนุนการปฏิบัติแต่โดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติทีเดียวนักาการฟังธรรมจะว่าไปมันก็เป็นส่วนของปริยัตินะ่ที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ดีอะไรไม่ควรอะไรที่พึงกระทำอะไรที่พึงปฏิบัติแต่ว่า มันเป็นคนละส่วนกับการปฏิบัตินะเช่นเดียวกับที่ปริยัตยิเนี่ยมันคนละส่วนกับปฏิบัติปริยัตยินี่ไม่นำไปสู่ปฏิเวทนะแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยจะนำไปสู่ปฏิเวทได้แต่จะปฏิบัติได้ถูกมันก็ต้องมีปริยัตยิซึ่งส่วนน้ก็เกิดจากการได้ยินได้ฟัง ถ้าได้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ถูกต้องนะมันก็เอื้อต่อการปฏิบัติการฟังธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของเราได้ส่วนการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรา เลยเพราะนิสัยที่ก่อทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแต่ลำพังเนี่ยความคิดเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่านิสัยจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะนิสัยจะเปลี่ยนโดยไปได้เนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติอาศัยการฝึกฝนถ้ฟังอย่างเดียวแม้จะฟังเยอะฟังมากเนี่ยไอทำให้รู้มากรู้เยอะแต่ว่า ไม่ได้เป็นหลัประกันว่านิสัยใจคอจะเปลี่ยนนะหรือว่าอากิเลสจะลดลงมันก็เหมือนกับเราฟังภาษาต่างประเทศเนี่ยฟังภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็แล้วแต่เมอเราจะฟังบ่อยฟังเยอะ แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะพูดได้เลยเราจะพูดภาษาต่างประเทศได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเราฟังเยอะแต่เป็นเพราะเรามีการฝึกฝนฝึกคือฝึกพูดแน่นอนการฟังก็ช่วยได้นะแต่ว่ามันจะเราจะพูดไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ฝึกพูดซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำสม่ำเสมอต้องอาศัยการฝึกฝน ถ้าเราเด็กันเนี่ยแม้เราจะรู้จากการฟังว่ากิเลสนี่ไม่ดีเป็นโทษหรือว่าความโกรธเนี่ยมันทำร้ายเผาล้นจิตใจทั้งของเราและของคนรอบข้างแต่แม้เราจะรู้อย่างไรและแม้เราจะเห็นด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่า ความเป็นคนมักโกรธของเรามันจะลดน้อยถอยลงคนที่ยังมีนิสัยชอบโกรธนะก็ยังโกรธต่อไปแม้ว่าจะได้ฟังมาเยอะนะถึงเรื่องโทษของความโกรธหรือว่าแม้จะได้ฟังมาเยอะว่าจะจะคลายโกรธได้อย่างไรแต่พอถึงเวลาที่มีอะไรมากระทบ เลยเพราะสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็โกรธขึ้นมาได้ง่ายเหมือนเดิมการฟังมันมีผลต่อความคิดนะแต่ว่ามันจะไม่สามารถจะเปลี่ยนจิตใจของเราได้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มักโกรธนะแต่ว่าคนที่มีความโลภ เห็นอะไรก็อยากได้อยากซื้อแม้จะรู้ว่าความโลภไม่ดีแม้จะรู้ว่าอันนี้ใส่ไฟเสดไฟบริโภคเนี่ยมันเป็นโทษนะต่อชีวิตแต่พอถึงเวลาเห็นของที่ชอบใจมันก็อยากได้ อยากมีอยากเสพนะหักห้ามใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่านิสัยเป็นอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยแม้ว่าจะรู้เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมหรือชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีในหัวหรือความรู้แต่ว่ามันเป็นนิสัยนะ นิสัยนี่มันไม่ไม่ใช่เฉพาะนิสัยที่แสดงออกมาเป็นการกระทําจะมีถึงนิสัยทางอารมณ์ด้วยอย่างชอบโกรธเนี่ยนะชอบโกรธนี่ก็เป็นนิสัยนะหรือว่าที่หลงที่ลืมเนี่ยอันนี้ก็เป็นนิสัยนะก็เราะจิตตันนิสัยซึ่งมันก็แสดงออกมาเป็นการกระทําได้ง่าย บางคนก็อชอบเสพชอบบริโภคชอบซื้อนะหรือว่าติดหนังติดละครติดซีรีส์ ท, ทั้งที่รู้ว่าไอาการเสพติดแบบนั้นไม่ดีนะแต่ว่าก็หักห้ามใจไม่ได้ อย่างที่เขาพูดวันนดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้ดีชั่วนี้รู้หมดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดจากการฟังการอ่านก็เยอะนะคนที่ได้ฟังได้อ่านได้ฟังทำมาเยอะอ่านหนังสือธรร ม, มะเยอะนะมันก็ง่ายนะที่จะรู้หมดนะว่าดีชั่วเป็นอย่างไรแต่ว่า พอเจอสิ่งที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยมันก็อดไม่ได้เจอสิ่งที่ถูกใจก็อยากได้อยากมีอยากเสพอยากครอบครองเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็อยากผักไสอยากต่อว่าด่าทอหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้ออไป เสร็จแล้วก็มาเสียใจโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยอันนี้มันเป็นเพราะนิสัยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ารู้น้อยหรือว่าไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เวลาเมื่อเราฟังธรรมเนี่ยนะแม้ว่าเราจะมีจิตใจใฝ่ฟังธรรมหรือ ฟังธรรมวันละหลายครั้งนะแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือว่ามีผลต่อชีวิตของเรามากถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติและเวลาพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยนะมันมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาวัดจะต้องมาเข้าคอร์สนะ จะต้องมาเดินจงกรมตามลมหายใจอันนั้นมารูปแบบนะการปฏิบัติเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีที่มีกิเลสนะอันนี้เป็นหลักเลยนะของการปฏิบตัติกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะการปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นละ และกิเลสเนี่ยมันไม่เลือกนะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางครั้งเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติในวัดเนี่ยนะกิเลสจะเกิดขึ้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่เลยเพอสาหรับคนที่คุ้นกับการมาปฏิบัติเพราะว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าไหร่ เดินจงกรมตามลมหายใจนั่งสร้างจังหวะก็ทำคนเดียวนะสิ่งยั่วยุหรือเย้ายวนนะก็มีไม่มากการเกี่ยวข้องกับผู้คนก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทบจนเกิดกิเลส มันก็เลยไม่มากเท่ากับเวลาที่เราอยู่ในโลกภายนอกหรือเวลาเราใ ช, ช้ชีวนะิตประจำวันและอย่างที่บอกนะการปฏิบัติเริ่มขึ้นเมื่อกิเลสปรากฏนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังทำแล้วเนี่ยเราไม่ไปการรับมือกับกิเลส เวลาเจอสิ่งที่กระทบเนี่ยให้สิ่งที่ฟังไปมันก็สูญเปล่าหรือว่ามีประโยชน์น้อยแต่ถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่กิเลสเกิดขึ้นเมื่อเจอการกระทบนะเราขนขวายทันทีแล้ว เ, เกิดความตื่นตัวขึ้นมาทันทีเกิดความรู้เรู้ตัวขึ้นมา เกิดความตั้งใจที่จ ะ, ะรับมือจัดการกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นแม่ว่าตอนนั้นอาจจะอยู่บนถนนตอนนั้นอาจจะอยู่ในห้างนั่นแหละเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วนั่นก็หมายความว่าการปฏิบัติีะมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แล้วก็ควรจะให้เป็นเช่นนั้นด้วยเพราะว่าชี่ประจำวันของเราเนี่ยมันมีการกระทบหรือเจอนัน่นเจอนี่อยู่ตลอดเวลาทั้งสิ่งที่ถูกใจแล้วก็สิ่งที่ไม่ถูกใจนะถูกใจก็อยากได้นะเกิดกิเลสตัวโลภราคะตัณหาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เกิดโทสะ เกิดนะปฏิกะเกิดความกรัหรือเกิดความเกลียดไอนะ้สิ่งเหล่านี้มันล้วนแต่ก่อทุกข์นะแล้วก็สามารถจะนำพาชีวิตจิตใจของเรานะไปในทางที่ย่ำแย่ก็ได้หลายคนเนี่ยฟังทำมาเยอะนะแต่ว่า ถึงเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่เพราะว่าพ่ายแพ้ต่ออำนาจของความเคยชินความเคยชินมันเป็นอย่างไรเนี่ยเช่นเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็โกรธเจอสิ่งที่ถูกใจก็อยากได้หรือว่าดีใจหัวรเราะนะเพลิดเพิหลงไหล ไฟเสพ็งนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหลายคนผู้บ้านเนี่ยทำไมฟังธรรมมาก็เยอะฟังธรรมทั้งชา้าทั้งเย็นแต่ยังขี้โกรธอยู่หรือว่ายังติดละครหรือว่ายังติดของอร่อยของชอบทั้งนั่งที่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวาน แลเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่มีเท่านี้นะเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งร่อเราเยอะยนในรูปแบบอื่ น, เ, นเช่นข้อมูลข่าวสารข้อความที่อ่านทาง Facebook ทาง l ลน e ทางท w i t t e r แล้วแม้มันคันไม้คันมือนะอยากจะเขียนคอมเมนต์อยากจะต่อว่าอยากจะลุมประนามทั้งที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลย แต่ว่าก็อดไม่ได้นะที่จะเขียนที่จะอีที่จะโพสข้อความที่มันเป็นการระบายอารมณ์ออกไปซึ่งบางครั้งก็ก่อผลเสียกับตัวเองในเวลาต่อมาหรือแม้จะไม่ก่อผลเสียในลักษณะที่ว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาทำลายตัวเองแต่ว่า ไอ้การที่ทําอย่างนั้นเป็นนิสัยเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเครียดแล้ก็เสพติดนะหลายคนเนี่ยเสพติดเพราะว่าข้อมูลข่าวสารข้อความนะมันปลุกเรา้าความโกรธปลุกเรา้าความเกลียดทั้งที่มันเผาลนใจแต่ว่าก็หักห้ามใจไม่ได้เกิดการเสพติดขึ้นมาต้องเสพต้องนะต้องระบาย อันนี้เกิดขึ้นได้นะกับคนที่ฟังธรรมะทุกวันทุกวันทั้งเชา้าทั้งเย็นนะหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่บางคนตั้งข้อสังเกตนะทำไมพ่อแม่นี้ฟังธรรมะอยู่ทุกวันแต่ทำไมยังขี้โกรธทำไมยังเติร์นหนีนะอันนี้เพราะเขาแค่ฟังไงนะทำไมปไม่ได้ปฏิบัต เรคิดว่าแค่ฟังก็พอแล้วไม่ใช่หรือบางคนเนี่ยสนใจการปฏิบัตินะแต่ว่าไปคิดเอาว่าเนี่ยปฏิบัติก็เฉพาะเวลามาวัดนะเวลาเข้าคอร์สแต่ไม่ได้เห็นว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยมันยิ่งต้องปฏิบัติใหญ่อยู่ที่ทำงานก็ยิ่งต้องปฏิบัติแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่งมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัว หรือว่าอยู่ใกล้มือเนี่ยยิ่งต้องปฏิบัติใหญ่เลยพอไม่งั้นเนี่ยมันก็จะปล่อยใจให้ตกเป็น่าสของอารมณ์ปล่อยใจให้ตกเป็น่าสของนิสัยความเคยชินแต่ถ้าเกิดว่าเราตอนหนักนะว่าการปฏิบัตินเนี่ยมันจําเป็นแล้วก็ต้องทำนะทุกครั้งที่กิเลส เ, เกิดขึ้น และกิเลสเกิดขึ้นตอนไหนส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบกระทบกับตาหูารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจอันนี้การฟังเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะเมื่อเรามีความตั้งใจนะที่จะปฏิบัติเมื่อเกิดกิเลส ข, ขึ้นมา บางทีการฟังบ่อยๆมันก็ช่วยทำให้เรามีสติได้ไวขึ้นโดยเพราะได้ฟังทำ ท, งที่เกี่ยวกับเรื่องการมีสติมีความรู้สึกตัวการรู้จักหักห้ามใจให้การฟังบ่อยๆนี่มันก็มีส่วนช่วยทำให้เราลึกนึกขึ้นมาได้บ้างนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพออารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไอสิ่งที่ ได้ได้ฟังมาจากการจากธรรมะ ท, ที่ได้ยินได้ฟังมานี่มันมันไม่ผุดขึ้นมาเลยเพราะว่าอารมณ์นะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันแรงเพราะเกิดจากการสะสมจากนิสัยความเคยชินเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ย จะมีะความตระหนักว่าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจากการกระทบจะต้องอตั้งจิตรับมือกับมันให้ดีแล้วก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันเนี่ยจะทำแางนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกมีการเตรียมตัวอันนี้แหละคือเหตุผลที่หลายคนมาเข้าคอร์สหลายคนมา ปฏิบัติทาในรูปแบบในยามที่ยังไม่มีความทุกข์มารบกวนในยามที่กิเลสมันยังไม่รังควานมากเนี่ยเราก็ม า, มาฝึกโดยเพราะการเจริญสตินะการทำความรู้ตัวหรือการทำสมาธิให้การฝึกอย่างเนี้ยโดยเพราะใ น, ในเวลาและ โอกาสที่ยังไม่มีความทุกข์หรือกิเลสมารบกวนมากเนี่ยมันก็ทำให้สติมีโอกาสเติบโตได้เร็วหรือมีความระลึกนึกถึงได้ไวนะครั้นถึงเวลาที่กลับไปสู่โลกกว้างนะมีการกระทบเกิดขึ้นนะกิเลสปรากฏขึ้นมาอ้าก็มีสติรู้ทัน ต่ก่อนนี่ก็ไหลไปตามอำนาจของความโกรธหรือความอยากนะตอนหลังเนี่ยก็รู้วิธีใหม่ๆก็อาจจะใช้วิธีการต้านนะแต่ก่อนนี่ไหลาตามมันตะพึ่ตะพือแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วจะต้านมันนะต้านโดยการต่อสู้กับมันปลุกปล้ำกับมันซึ่งก็มักจะไม่ค่อยสาเร็จ อาจจะได้ผลชั่วคราวแต่ว่ามันกลายเป็นการเก็บกดแต่พอมาเจริญสติเขา้าเอารู้แล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ต้านแล้วก็ไม่ได้ไหลาตามนะแต่เป็นการรู้ทันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นแค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือรู้ทันกิเลสเนี่ยแค่นี้มันก็มากพอที่ทำให ไอ้กิเลสหรืออารมณ์อกุศลเนี่ยมันฟ a l ลงไปอันนี้เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยไม่เคยรู้นะเพราะว่าแต่ก่อนก็รู้แต่ว่าถ้าไม่ปล่อยใจตามอารมณ์ไปก็ต้องต้านกับมันต้องกดข่มมันหรือว่าต้องหักห้ามใจแต่ว่าก็มักจะไม่สำเร็จแต่พอมารู้ว่าเออมันมีวิธีหนึ่งนะคือการ รู้ทันแค่รูนะ้ว่ามันมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นรู้แล้วไม่ผักใสไหลหตามก็ไม่ก็ไม่เข้าไปยึดด้วยอันนี้ก็ทําให้นิสัยเดิมๆเนี่ยที่มันเคยลากรูกถูกกังเราไปตนเข้าแล้วเข้าพงเนี่ยมันก็เริ่มที่จะอ่อนกําลังลงมันมีนิสัยใหม่เกิดขึ้นนะ นิสัยที่มีสตินิสัยที่มีความสึกตัวซึ่งเป็นพลังนะในการที่จะทำให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของตัวเองได้ทีละน้อยทีละน้อยและต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิบัตินะเวลาเจอนั่นเจอนี่เท่านั้นนะต่อไปก็จะเห็นว่าเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยทำนั่นทำนี่มันก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติหมายถึงว่า ฝึกจิตไปควบคู่กันพร้อมๆกั น, นเวลาอาบน้ำถูฟันแล้วก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องรอให้กิเลสเกิดขึ้นนะจึงค่อยไปปฏิบัติเวลาอาบน้ำถูฟันเวลาเก็บที่นอนอก็มีสติปฏิบัติไปกับการกระทำเหล่านั้น รวมทั้งเวลาทําดีช่วยเหลือใครหรือทําบุญทำกุศลก็ฝึกจิต ด, ด้วยไม่ใช่ฝึกแค่มีสติรู้ตัวเท่านั้นนะแต่ว่าเวลามันมีความอยากเกิดขึ้นกิเลสมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเจอนั่นเจอนี่หรือเจอการกระทบเท่านั้นนะเวลาทํานั่นทนํานิมก็มีกิเลสเกิดขึ้นเช่นทําดีก็อยากจะให้คนชม ทำบุญก็อยาให้มีคนเห็นอ่าอันนี้ก็เป็นกินเลสเหมือนกันน ะ, ะก็รู้จักนะรู้จักวางมางันลงนะรู้จักรู้ทันนะทำดีโดยที่ไม่ปรารถนาคำชมทาบุญทากุศลก็ไม่คิดที่จะโอ้โอวดนะไม่ปรารถนาที่จะให้คนนะชื่นชมสรรเสริญอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่ า, าปฏิบัติเฉพาะเวลาเกิดราคะเกิดโทสะเมื่อมีการกระทบนะแต่เวลาทำอะไรนะแม้ทำสิ่งดีๆบางทีกิเลสก็โผล่ขึ้นมาได้นะอย่าให้คนชมอยาให้คนสรรเสริญอยากได้อรังวัน ถ้าว่าเรารู้ทันนะแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจนี่ก็เป็นการปฏิบัติแล้วก็ช่วยทำให้ไม่ทุกข์ด้วยนะกับการทำความดีเพราะทำหลายคนทาดีแล้วทุกข์เพราะไม่มีคนเห็นนะหรือว่าไม่มีคนรับรู้ไม่มีคนสรรเสริญนนะี่ทุกข์ของคนที่อยากทำดีแต่ว่าความทุกข์นี้มันไม่ปรากฏนะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไปพร้อมๆกับการกระทา นั้นไม่ว่าเราเจออะไรนะหรือว่าทำแล้วก็ตามเนี่ยในชีวิตประจําวัน เ, นเราก็สามารถปฏิบัติได้โดยเพราะการเจริญสติโดยเพราะการฝึกจิตให้มีความรู้สึกตัวรู้จักปล่อยรู้จั ก, กวางซึ่งมาล้นแต่ทำให้เรานะมีพลังในการรับมือกั บ, ก, บกิเลสนะมากขึ้นเรื่อยๆจนเวลาเจออะไรมากระทบให้เกิดความ ไม่พอใจแต่ก่อนนี้มันก็โกรธแต่ตอนหลังก็เบาบางลงเจอความเจอสิ่งถูกใจก็ไม่ได้หลไปนะกับความอยากและต่อไปนี่นะถ้ารู้จักปฏิบัตินะได้ถูกเนี่ยถึงเวลาฟังธรรมนี่มันการฟังธรรมกับกลายเป็นการปฏิบัติได้นะถึงแม้ตอนแรกจะเพิ่ว่าการฟังธรรมนี่มันเป็นแค่ส่วนเสริมส่วนประกอบ แต่ถ้าว่าฟังเป็นนะมันก็เป็นการปฏิบัติได้เราสามารถเจริญสติไประหว่างที่เราฟังทำก็ได้เช่นใจมันลอยนะคิดเป็นโน่นคิดเปน็นนี่มีสติรู้ทันดึงพาใจกลับมาอยู่กับการฟังอยู่กับข้อธรรมหรือบางทีมันไปนสะดุดอยู่กับคำพูดข้อความบางข้อความแล้วก็ปรุงแต่งออกไปนอกรูนอกทางออกไปคนละเรื่องเลยก็มีสติรู้ทนัน หรือไม่มวัวแต่สะดุดอยู่กับข้อความบางข้อความดั้งที่ผูพ้พูดนี่พูดไปนะยืดยาวเรื่องอื่นแล้วนีแต่ก็ยังติดอยู่กับข้อความในอดีตเมื่อ5นาทีที่แล้วสินาทีที่แล้วก็ต้องมีสติรู้นะแล้วก็วางแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันตามรูนะ้สิ่งที่ผู้พูดได้พูด อย่างต่อเนื่องนะไม่ไปสะดุดหรือว่าติดอยู่กับข้อความหรือคําพูดเมื่อห้านาทีที่แล้วนะเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะรับฟังธรรมะเป็นปัจจุบันอันนี้ก็กลายเป็นการปฏิบัติได้นะแต่ถ้าว่าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันการฟังธรรมก็อาจจะกลายเป็นการเพียงแค่กล่อมใจให้เพลินกล่อมใจให้สบายเพราะว่า ไม่มีเรื่องที่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปรับรู้เรื่องที่ทําให้คุณมัวนะมันก็เพลินได้เหมือนกันนะสำหรับหลายคนแต่ว่ามันจะดีถ้าเกิดว่าระหว่างที่ฟังก็ปฏิบัติไปด้วยหรือฟังเสร็จก็ไม่ลืมที่จะปฏิบัติด้วยการรับมือกับกิเลสนะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดการจากการกระทบหรือในระหว่างการกระทําแล้วก็ตามอ๋อเย็นนี้พุทโธนี้นะอ๋อกลับ